ขออนุญาตให้มนุ์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวกแล้วการครับผมจอจารย์พรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านราครับอาจารย์ครับช่วงนี้กรถิ่นคนไปวัดเยอะไหมครับพระอาจารย์ก็ไม่ไม่เห็นว่าผิดต่อคติอะไรนะก็กรถิ่นเรก็จะไปวัดต่างๆกันแต่ละวัดก็มาทมําบุญกระินได้เพียงครั้งเดียวครับผมขออนุญาตกรถิ่นยังไม่ถึง อยู่อาทิตย์หน้าวันเสาร์วันเสาร์หน้าเสาร์ที่25ครับผมแทบจะสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมครับใช่แล้วสองวันนีวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายวัน15ข้ามเดือน12วันลอยกระทงครับผมอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาตรเยอะเลยรไหมครับก็ประมาณ410คน410คนครับผมไมนได้ตรงกลาวันพระถ้าตรงกลาวันพระก็อาจจะเยอะกวนี้ เยอะแล้วผมผมมีไปวันพระอีกวัน่อ๋อแล้วยกเป็นสองวันเลยครับอาจารย์ย่าเป็นสงวันครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นคลิปอาจารย์ขึ้นมาแล้วมีเรื่องพระโสดาบาันเยอะก็เลยอยากจะฟังเรื่องโสดาปฏิ ม, มาคโฎดาปฏิผลอีกครับพระอาจารย์ครับกล่าขอความเมตตาครับทํายังไงจะได้เป็นครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นแล้วดียังไงครับก็โสดาโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลก็เป็นคู่แรก องการบรรลุมรรผลนิพพานนักผลนี้นอยู่สี่คู่คือสวดาบันคู่หนึ่งสกีตาคามีคู่หนึ่งอนาคามีคู่หนึ่งและอาราหันต์คู่หนึ่งถ้าการที่จะบรรลุสวดามิสวดามปฏิผล์คือบรรลุเป็นเพรสวดาบันได้ไมต้องมีการเจริญมรรคก่อนมรรคเป็นเหมือนอเหมือนเหตุ เวลาเราจะปลูกข้าวเวลาเราต้องการข้าวเีราก็ต้องปลูกข้าวก่อน <Okay. S 1> เราต้องทายนาะหว่านข้าวปลูกข้าวลมานดินแล้วเวาคอยดูะแลน้นําเรื่องอะไรให้ให้สมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นก็พอถึงเวลาข้าวก็จะออกงอกขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาโซดาติดมากก็คือการการ การกระทําละการปฏิบัติที่จะทําให้เกิดทรงดาปฏิผลขึ้นมาคือบรรลุเป็นพระสวัสดิบาลและการปฏิบัติที่จะบรรลุให้เป็นพระสวัสดิบได้ก็คือต้องมีศีลและสมาธิก่อนศีลมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิศีลก็คือศีลแตกขึ้นไปเพราะว่าจะได้มีแร มีล ไ, ไม่ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกยินก้นกายเอาเวลามาทำการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้ารวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ได้อุเบขาได้รูปประชานขั้นที่สี่ถึงจะได้ว่าทำทำมรรคของพระสุวรบันได้ สองข้อแล้วคือศีลศีลเนี่ยมีต้องรักษาศีลแปดศีลสองร้อี่สิบเจ็ดถ้ามันรับบวชเนี่ยแล้วก็ไปเตะวิเวกมาเจริญสมาธิเจนนั่งจสิสมาธิเป็นนิงเขาเชี่ยวทางานหมูป่ปลายเนหมอก็ลังเจริญศีลรักษาศีลแปดคข้าเงนเดียวไมงานของใครไม่มีไม่มีเนีน ไฟฟ้าไม่มีอะไรให้สัมผัสรับรู้ทางโลกแล้วก็ใช้เวลาที่อยู่คนเขาเจริญสติอย่างต่อเ น, นี้เพื่อควบคุมความคิดอยู่ความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้ก็จะนั่งสมาี่จิตก้าวลมปนักปนาสมาธิเป็นเบ็ดคามีพรังที่จะอยู่หยุดเกิดได้เพราะพลัสจิตเข้าสมาธินี้จิตก็ สังขารความคิดปรุงแต่งก็ดามสังขารก็จะหยุดทํางานชั่วคราวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็จะหยุดทางานชั่วคราวเฉพาะสัญญาสังขารที้หยุดน่เวทนาจะไม่อยู่ก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบอะไรอย่างนี้ถ้าสังขารสัญญาทํางานกิเลสก็ทํางานไม่ได้การมัทนาบาวัตนาวิปโลกธรรมานก็ทํางานไม่ได้ แต่เป็นการเกิดแบบชั่วคราวเพราะว่าออกจากสมาธิมาปัญหาก็ยังสามารถทํางานต่อได้เพราะยังไม่ได้ถูกถอนรากถอนคคนไม่ปัญญามิหละจะหมดเส้นได้ต้อใช้ปัญญาเป็นพุ่งตนอแ้ะถอนโคนสมาสติสมาธิเป็นเหมือนเราเห็นมิถัญาอะไรนี่ยเวลาเห็นมิถัญญาก็จะไม่รอดออ ก, กมาเพราะเอาหินออก ปล่อยไว้ให้เจอแดดเจอฝนเยอะหญ้มามันก็อ๊อกงอกขึ้นมาใหมเพราะร่างยังไม่ได้ถูกถอนออกอย่างดิงนะกิเลกก็ไม่ได้ตายการมะการละทนัะทนหาเพราะว่าทันหาไม่ได้ตายด้วยกาลังของสมาธิการหยุดทำงานเพราะกำลังของสมาธิกดเอาไว้ไม่ให้ทํางานไม่ให้สังขารทํางานเพราะสังขารไม่ทำงานกิเลกก็ทำงานไม่ได้เพรก็เกเรน ต้าหาความอยากใช้สังขารเป็นเครื่องมือต้องคิดอยากจะทํารู่นอยากจะทํานี่อยากจะเป็นั่นมานี่ถ้าไม่คิดมันก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ทําอะไรยิ่งนั่นงหยุดหยุดความคิดปรุงแต่ให้ได้ก่อนถึงถึงจะหยุดความอยากได้แลว้วพอเราหยุดความอยากได้ขั้นต่อไปเราก็ไปเจริญขั้นปัญญาไปศึกษาสัมยุที่ทําให้ ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสามข้อแรกครับก็เวลาปฏิบัติจริงเราเพียงแต่ปฏิบัติลสังฆโยตข้อที่หนึ่งข้อเดียวก่อนคือสังขยาทิฏฐิสังขยาทิฏฐิคือมีความเห็นว่าฐาหนาห ร, ร่างกายนะจิตใจนี้เป็นตัวเราของเรา เราเเราของเราเราก็ไปยึดไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆไม่อยากให้มันจากเราไปไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายอันนี้เป็นความหลงพอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายการปฏิบัตินี้เพื่อต้องการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการไปมีความหลงกับ ร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวเราของเราต้องพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสภาวธรรมอยา่างหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมันลมพายอากาศฝนตกแดดออกนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ไปสั่งมันได้มันมันเห็นมีปัจจัยก็ทําให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามีเหตุมีมปจัจจัยฝนตกเหมฝนก็ตก ตอนนี้เมย์มีปัจจัยให้อาการเย็นมันก็เย็นมันไม่มีใครเป็นผู้ไปสั่งให้มันเป็นเย็นเรื่ฝนตกหรือไม่ตกมันมีเหตุมีปัจจัยภในร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันปรากฏขึ้นมาเป็นร่างกายเหตุปัจจัยก็คือมีเชื้อพ่อเชื้อแม่มันประสมกันแล้วพอประสมกันก็เริ่มเจริญเติบ่อแล้วก็มีมีปัจจัยคือดิน ดินนลมไฟที่เข้ามาทางทางร่างกายของมนแม่เพื่อไปหล่อเลี้ยงธาล็กในการที่จะเริ่มเติบโ ต, ตขึ้นมาเพราว่าเอาดินาน้ำลมไฟเข้าไปต่อเติมร่างกายให้มันเจริญงองามขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุสี่ที่มันรวมตัวกันแล้วก็เจรนญเติบโตขึ้นมาพอมันเต้นที่มันก็ข้อขออกมา ถ้ามันม า, มารับเย็นน้ำวนไฟต่อภัยรอบคันของแม่ <c oughs> ต้องหายใจเองต้องเหนื่อ น, น้ำเองต้องกินอาหารเองต้องหมดีความร้อนรับความร้อนมาเพืให้ร่างกายอบอุ่นนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทําให้เกิดในร่างกายขึ้นนะและร่างกายนี่มันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติรากต้นมันก็จะมีปัจจัยที่แฉลบทำให้มันเจริญเติบโต แต่เมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็ปัจจัยที่สแสงบมันจเจริญเติบโ ต, ตก็เริมอ่อนกำลังลงเริ่มก็เลยทําให้ร่างกายมันก็เริ่มเลื่อนเสื่อมลงอ่ะผ่านวัอายุวัยคนวัยกลางคนแล้วเจริญเต็มที่แล้วอายุสี่สิบห้าสิบนี้เต็มที่แล้วทีนี้ก็จะนับถอยหลังนล้วร่างกายก็จะเสื่อม เอาไว้ว่าต่างๆก็จะค่อยเสื่อมไปผมก็จะขาวขึ้นเอาไว้ต่างๆก็อาจจะมีปัญหาในการทำงานอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยทาให้มันต้องเสื่อมไปมันก็จะเข้าสู่วัยชราแล้วก็เข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆของร่างกาย แล้วในสุดท้ายมันก็หยุดทํางานมันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้มันหดปัจจัยที่จะส่งให้มันอยู่มันดหมดร่างกายก็หยุดทหายใจเพราะหยุดทหายใจธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันก็แยกตัวออกจากกันไปยินไปทางนะ้าไปทางลมไปทางไฟไปไปทางจับสู่แท้ที่ตั้งเดิมของเขาร่างกายก็หายไป ทนี้ใจที่มาครอบครองร่างกายมันไม่มันไม่มีปัญญามันไ ม, ม่มันไม่ได้ศึกษาไม่ได้คิดแบบนี้มันพอมเกิดมาเห็นร่างกายว่านี่ร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็ใช้ร่างกายไปทำตามความอยากต่างๆของใจใจก็เลยไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรพอร่างกายแก่ก็เลยทุกข์ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยก็ทุกข์ร่างกายจะตายก็ทุกข์ ทุกเพราะความอยางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่นักปฏิบัติปฏิบัติเพื่อหมดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องระงับดับความทุกข์ด้วยด้วยการบรรลักษณะเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คืออัหนหาการมรรตนาภาวัตนาวิภาวัตนาเพราะเห็นว่าทํำยังไงก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นตายแล้วมันเป็นนี้อย่างไม่เทียง พันธุ์นักตามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคั้งมันได้เราอาจจะทับควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งเช่นให้มันกินข้าวให้มันอะไรดํานองได้ดับนองนี้พัอออกกำลนงกายเดินไปไหนมาไหนแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้ยับยั้งมัไม่ได้กำลังจะกำลัเติบโตก็ยับยั้งมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกาย ถ้าถามองดีๆก็เหมือนกับต้นไม้นี่เองต้นไม้ก็มีดินน้าลงไปถึงทําให้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาหลังกันตรงที่ต้นไม้มันไม่มีตาหูจ ม, มูกนิ้งกายเหมืนนั่นกายต้นไม้เราไม่มีดวงวิญญาณไปเกาะไม่มีจิตไม่มีใจไปเกาะ ท, ที่ต้นไม้แต่นั่งกายมันมีตาหูจ ม, มูกนิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่ใจต้องการใจต้องการ ตาหูจมูกนิ้วก็จะได้ไปเสพรูปเสียงกิจนรสวราใจมีการมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองใจก็เลยไปเ ก, กาะติดกับร่างกายแต่ร่างกายถ้าศึกษาตามมันก็ไม่ต่างจา ก, ากต้นไม้ใบายญ่าสิ่งที่มีสิ่งที่ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วก็ต้นไม้ก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ไหมต้นไม้เกิดจนเติตโตมันจะติบโตเต็มที่มันอยู่ไปได้ ถ้าระยะหนะึ่งมันก็ตายไปมันก็ล้มตายลงมาแค่างกายกับต้นไม้ก็เหมือนกันไม่มีตัวตนเป็นเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นเทีย่ยมที่เกิดแล้วต้องเกิดแล้วต้องดับในที่สุดไม่มีการห้ามได้ถ้าอยากจะบรรลุสนลุนทรภพันก็ต้องยอมต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจัง ร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุข ไ, ไม่ทุกข์ก็เป็นอนิจจัง เ, เวลาจุดไข้ได้ป่วยมันก็ไม่มีใครบังคับหรือห้ามเหมือนไม่ให้เจ็บได้เวลาตุกขเวทนาจะเกิดมันก็เกิ ด, เ, กดเวลามันจะหนับมันก็หนับของมันเองเผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาติของคันว่ามันเป็นเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยวเป็นอตาเป็นภาวะ ทำธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสั่งมันได้ไปควบคุมมันได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ไม่มีใครอับยั้งมันได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไม่ใช่เรเห็นต้องเห็นด้วยความเป็นจริงนะต้องเห็นเวลาเจอความทุกข์จริงๆเป็นเจอเวลาเจอโรคภายใกล้เจ็บไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอตอนนั้นนะมันจะ มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยถจะทาอะไรไม่ให้ทุกข์ก็ต้องพิจารณาร่างกายว่ามันมันจะตายหรือไม่ตายมันต้องตายเนี่ไม่มีใครห้ามมันได้ถึงเวลามันจะตายนี่มันก็ใกล้เวลามันจะตายแล้วหมอส่งสัญญาณมาบอกนะในไม่กี่วันมันก็จะตายแล้วเทำอะไรใจมันทุกข์ทุกข์ก็ไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นมาร่างกายมัน ไม่เทียมมันต้องตายเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันใจมาเพียงแต่มา้าอาศัยมันใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่ น, นแล้วผ่านทาตาหูจมูกนิ้วกายนั้นเองหนั้นไปเจริญรักปัญญาอย่างรอบคอบแล้วใจก็ยอมรับความจริงทนะ้ย่ยอมว่าต้องตายใจยก็ไม่ทุกกับการที่จะต้องตายภายในในระยะเวลาไม่กี่วันข้างหนนะ้า ใจก็หายทึบแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จะทำไงให้ใจหายทึบก็ต้องไปหาวิธีแก้บนไปบนบานไปหาอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะมาะมามาช่วยทำให้ร่างกายไม่ตายคนที่ไม่มีปัญญาเขาก็อยากไปทำพวกศีลรัปยะปรา ม, มาสทำพวกพิธีกรรมต่างๆไปฆ่าวัวฆาเป็ดฆ่าไก่่เอสเสวยให้กับ ยมบาลานื้อไข่กรต่ายเพื่อที่จะได้เบรกยมบาบาลเนี่ยเพิ่อมาเอาหน้างานนี้ไปแล้ว่ามีการวิธีทําทําพิธีกรรมต่างๆเมืาอเจอความทุกข์ทางใจไม่รู้จะแก้ยังไงก็แก้ด้วยความเชื่อบางทีจาไหว้ลาหุนไหว้ธูปแปถวายของดำให้อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเพราะว่าไม่มีไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าทุกข์ใจของตนเกิดจากความอยาก อยากไม่ให้สิ่งเหตุการณ์ที่ไม่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเอง mm. แล้วมันกำลังจะเกิดก็เลยไปทำพิธีทำต่างๆอย่างนั้นก็จะทำให้รู้สึกเบาใจขึ้นได้ทำแนละ้วคงจะมีมีโอกาสโดนหน้าจะไม่ตายก็ได้ mm. นี่เขาเรี่กว่าสีลับพตัดบาลานเรารู้ว่าทุกข์ของใจของตนนี้เกิดจากความอยากแล้วก็เกิดจาก การกระทำบาปเวลาใจกระทำบาปใจก็จะทุกข์อ <Okay. S 1> ันพอละพอละสังโยชน์ได้ละสักยะทิฏฐิได้เพราะรู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากของใจอยากไม่ให้ร่างกายไม่อยากให้ทำไม่ตายไม่ให้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่บงด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยหยุดความอยากพอหยุดความอยากก็หายทุ้น แจะตายอย่างสงบตางอย่างสบายที่เวลาเจ็บไายได้ป่วยเวทนาจะธรมานทรมา น, นาก็ทนได้อยู่กัมันได้เพราะไม่มีความอยากให้เวท น, นาทุกขเวทนาหายไปคือจิตไม่ทุกขเวทนาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ความทุกส่วนใหญ่มันเกิดที่จิตเกิดจากความอยากความทรมานใจมันมีงานกว่าความเจ็บของทางร่างกาย ก็จะทําให้เห็นอามนิยาาสัตว์สีเวลาปฏิบัติปัะเจเนาะทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก ไ, ไม่ตายนี่เองพอเราพิจารณาได้ปัญญาเห็นว่ามันต้องตายแล้วยอมรับหยุดความอยากไม่ตายได้ยอมตายพอยอมตายหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็หายทุกข์ก็เห็นอนิยาาสัตว์สีเห็นทุกขสมุทัยนิโรธ น, นักหนาสมบูรณ เราจะมององค์เห็นธรรมก็เห็นอริยส yeah ัจสี่น ok yes. ี่พออริยสัจสี่ก็ไม่สงสัยผู้ใดเห็นธรรมพูดนันเห็นว่าพูดนั้นเห็นเพราะพรธเจ้าพระเจ้าบอกผู้ใดเห็นเห็นธรรมเป็เจ้าผูดนั้นเป็นผู้ที่จะเห็นเราเพราะว่าพระเจ้ากับพระธรรมก็อันหนึ่งกันเดียวกันใจของพระเจ้าเป็นธรรมโน่นนั่นนี่มีฮะยิ่พอใครเห็นธรรมก็ จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าเรื่อว่าธรรมนี่มาจากพระพุทธเจ้าคําสอนนี่มาจากพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่นี้มาจากพระพุทธเจ้าก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าพระพธรรมคำสอนพระเจ้าสามารถดับความทุกข์ได้หรือไม่แล้วก็ไม่สงสัยในพระอริยสงสารวัว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะผู้ที่ปฏิบัติมีมรรคตายธรรมนี้ก็คือพระอริยสงสารวัคคามก็คือพระสาวกดาบานนี่ เออจะรับสัมยวดอันวิจิตรช้าความสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าไม่จริงหรือไม่มีความมั่นใจร้อยเปอว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงคําแท้ไม่ได้เป็นการแต่งเป็นนิยายขึ้นมาเรื่องการที่ไปทําพิธีกรรมต่างๆว่ามันหนับความทุกข์ก็จะไม่ทมําอยีกต่อไปเพราะรู้แล้วต้นเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ความอยากหรืออยู่ที่การกระทําบาปก็จะไม่ทําบาปก็จะไม่อยากต่อไป ส่วนที่ยังมีทุกข์เหลืออยู่ก็ยพยายามที่จะไปละความอยากที่ยังมีนี่ยังไม่หมดไปจากใจคือขั้นต่อไปขั้นสกิริยาคาข้นานังาคามรก็มีความอยากเสพการกรรมราคาก็จะไปดําเนินการแก้ไขหยุดความอยากนั้นด้วยการเจริญดสุภะกรามฐานต่อไปก็จะละสังโยชน์ไปตามลำดับไปเรื่อยๆนี่กลายเป็นเรื่องของนัก แต่ละขั้นมรของแต่ละขั้นไม่เหมือนกันมรกของโสดาบันนี้มีโจทย์ไม่เหมือนกับมักของสกิราคาเมอนาคามีและมรดของพระอรนตอรหัน์ก็ไม่เหมือนกับของพระโสดาบันและพระอนาคามีเพราะโจทย์ไม่เหมือนกันมีโจทย์ที่ต้องมีสัญญน์ที่ที่ไม่เหมือนกันสัยชา์มีสิบนะสามอรค์แรเป็นของพระโสดาบัน อีกสองอันนี้เป็นของพระสกิร์ดาคาเมกาณาคาเมกและห้าอันสท้านี้เป็นของพระอาหารหันต์จนแล้นอาหารหันต์ธมก็จะลาไปเป็นขั้นๆั้นเป็นเหมือนศึกษามาในมาในปีหนึ่งก็เรียนสอบข้อ น, นี้ข้อ น, นี้ไปผ่านแล้วก็ขึ้นปีสองเรียนวิชานี้วิชานี้อสอบผ่านก็ขึ้นปีสามไปขึ้นปีสี่ไปจนั้นที่ก็จบได้รับปริญญา ปัญญาของธรรมศา ส, สานาก็คือไม่ผ่านการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงเพราะสังโยชน์ที่สร้างความทุกข์ให้เกิดใจนี้ทั้งสิบประการนี้ถูกกำจัดโดยบมดสิ้นด้วยกาลังของมรรคคือสีลสมาธิปัญญาแจาแจ้งมากเลยครับอาจารย์แจมแจ้งเป็ น, เ ป, นเป็นขั้นเป็นตอนที่ผูกกันไปแก้ที่ตัวเดียวคือสักกายทิฏฐิเลยใช่ไหมครับอาจารยา์อนต้นสักกายทิฏฐิแล้วพอผ่าน องธรรมชิสติมันก็จะเห็นไม่ดวงตาเห็นธรรมมันก็ไม่สงสัยแล้วมันก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากเกิดจากการกระทาบาปถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปทําบาปอย่าไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยา่าไปมีความอยากพอหยุดความอยากได้ทุกข์ใจก็หายไปไม่ทําบาปทุกข์ใจก็ไม่เกิดพระโสดาบันก็เลยจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาด พอเราทำบาปแล้วเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุได้ไม่คุ้มเสียไปกอมเงินเข้ามาเพื่อมาไปซื้ออาหารกินแต่ตัวเองจะต้องไปเกิดรับเกิดในอบายเป็นมันชัดในราชาก็ไม่เอาดีกว่าไม่ทำบาปดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียยอมตายดีกว่าเพราะยังไงร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีาไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย พระอาจารครับอย่างนี้ผมนึกไปว่าเอตอนพระอาหารหันต์ละสังขารนี่ท่านท่านตัดอวิชชาได้หมดแล้วท่านก็ละไปอย่างโล่งๆเลยแต่อย่างพระโสดาบันเนี่ยตอนละสังขารเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไหมครับว่าเชาติหน้าเขาดีกว่านี้อีกเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าเขากลัวการตายครั้งนี้นี้เป็นไปได้ไหมครับ ค, รคือความตายเขาไม่กลัวอยู่นะเพราะเขารักสังละสังโยชน์คือสักการทิฏฐีได้เขารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวของเขาแล้วมองทั้งร่างกายก็เหมือนมองร่างกายของคุณหมอ เวลาคุณหมอเห็ร่างกายของคนเรื่องตายคุณบอกหมอมีคนไข้มาตะมาเจ็บมาตายคุณบอกทุกข์ับทุกข์ไหมไม่ทุกข์เหมือนกับร่างกายของคุณหมอเองใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละพระโสดาบันเหตุว่าร่างกายของตอนนี้ไม่ใช่เป็นของตอนเป็นของดินน้ํำลมไฟก็จะไม่ทุกข์กับความความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> แต่ยังไม่ทุกข์กับความอยากที่อยากยังอยากยังร่วมเพศอยู่ยังมีความอยากตอนนี้อยู่ เวลานเกิดความอยากร่วมเพศใจก็จะมีหมดกิดขึ้นมานก็ต้องไปร่วมเพศจะยากคลายความหุดหกิดได้ชั่วคราวแต่ม่ไม่คลายแบบสาวอ่นเดี๋ยวว่าเดี๋ว่าเกิดความอยากเลยวิธีกล้าความอยากต้องหยุดความอยากไม่ไปทําตามความอยากวิธีที่ความอยากร่วมเพศก็ต้องไปเห็นอสุภะเห็นเห็นส่วนไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมเพศด้วย หเห็นคมกระดูกของเขาเห็นปอดเห็นตับเห็นใต้เห็นลําไส้นี่มันก็ความอยากเริมเพ่ินก็หายไปหมดหมดไปหายไปเดี๋ยวสร้ากศพไปเดียวรอบน้ำนํำนำมาพิจารณาเวลาเห็ น, ก, นการาการันหลุให้นึกถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายต่อไปต่างยอดมันก็จะหายไปพอาการบรรลค่ะหายไป ปฏิฆาความดีใจก็หายตามไปด้วยชัดเจนมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับอย่างนี้พบใหม่ของพระโสดาบานันสมมติยังต้องเกิดอีกก็คือเขาก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับอาจารย์คือก็ยังเขายังจะออกมาเสพกา ร, รอยู่เพราะยังอยากจะมีแฟนมีมีครอบครัวอยู่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่เขาจะไม่ทํำบาปอย่างเด็ด ข, ขาดที่มันจะเข้เกิดใหม่ จะไม่ไ ป, ประพติผิดกับเพรี้ไปยุ่กับสามีไปยุ่กับภรรยาของผู้อื่าจะร่วมเพศกันต้องร่วมกับคนที่ไม่มีพันธะกรดีกับใครไม่ไม่ทำมาพดผิดกเพรียนี่ยังถืศีลแปดไม่น่ยายังถือศีนบบรรลนรัรนจารีดาไม้น่าต้องละต้องเป็นพระอนานองคามีทีละทิละล ะ, ละการบีพรนธะได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต ความถ้าเป็นรอดได้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด่นต่อไปเพราะไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายของมนุษย์เพื่อไปเสกกลางนี่แหละก็จะไปเกิดในพรหมโลกแทนสวรรค์ชั้นอรูปมีสวรรค์ผ้าชั้นที่พระสวรรค์ผ้ า, า น, า, นาคาจะไปเกิดถ้ายังไม่มนรษยเป็นผ้าละทนะุกสิ่งจะอยู่ในชั้นของอรูปอรูปประชนะันไม่แน่ใจแม่อรูปประชันก็รูปประชนะันเนี่ยต้องไมเซนตอยู่ห้างชั้นด้วยกัน แล้วก็จะบำเพ็ญในขณะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมณสังโยชน์ที่เหลืออยู่แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไปเข้าสู่อนิพพานตามลําดับไปไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่จมแจ้งมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามอาจจะมีคําถามที่คล้ายๆกันบ้างนะครับอาจารย์ครับจากคุณพีโกครับขอวิธีสอนใจว่ากายใจไม่ใช่เราครับ ก็อย่าอย่าไปยึดต hmm. ิดกับมันมากกันไปเเวลาเจ็บบางอะไรก็อย่าไปเจ็บกับมันยากพยายามยากใจออกจากร่างกายบอกว่ากายเจ็บเราไม่เจ็บเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นนราแต่มันก็มันมันทําไม่ค่อยได้หรอกมันเป็นเพราะว่ามันมันไม่มีกําลังที่จะทบตามที่เราคิดบอกว่าจะร่างกายไม่ใช่ของเราแต่พอมันหิวขึ้นมามันทุกข์ลวมันเจ็บขึ้นมาันเราขึ้นมาทันที ต้องแยกด้วยการปฏิบัติต้องเข้าฌ า, านได้แรกก่อนเวลาเข้าสมาธิใจก็จะได้ขออย่างร่างกายชั่วคราวอาพอแยากแล้วเทนี้เวลาออกมาจากสมาธิที่ก็สอนใจได้แล้วร่างกายไม่ใช่เราให้ใจอยู่เฉยเฉยไม่ไปทุกข์กับร่างกายไนดะเพราะว่ามีอวบเบคขาแลนะ้วแต่ถ้ายังไม่มีอวบเบคขาสอนไม่ยังไงมันก็ยังคิดว่าเป็นเราของเราอ ย, นะยังอยากให้มันไม่เจ็บยังอยากให้มปนาย ยังต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิก่อน้วก็มีฝึกสติสมาธิให้ได้ให้ได้ผลจริงๆก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชถ้าเป็าาานคารวะนิย่าที่จะถือศีลห้าแล้วก็มาปฏิบัติสมาธิเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้มันไม่พอหรอกมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถึงจะสามารถเอาจิตเข้าสู่ปัญนาสมาธิได้แต่ก็แต่ก็ถ้าตอนนี้ยังทําไม่ได้ก็ ซ้อมไปก่อนฝึกสมาธิฝึกสติเท่าที่เราสามารถฝึกไปก่อนอแต่เราควรจะตั้งเป้าว่าถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนทิศทางของการดำเนิชีวิตละต้องลดการทํามาหากินอะไรต่างๆลงให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นคุณสมพรครับบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้สวดมนต์ทําวัดเย็นกับกลุ่มกัลยาณามิตรที่จะสวดมนต์ทําวัดเย็นที่โบสถ์ที่วัดทุกเย็น พักหนังเหนื่อยล้าถ้าหากจะไปร่วมสวดมนมต์ทำวัดเย็นต้องขับรถออกจากนขาลากเลยโยมใช้การฟังธรรมะจากธรมไดฟ์ของอาจารย์แทนชดเชยการสวดมนมต์ทำวัดเย็นได้ไหมครับพราะฟังธรรมะพระอาจารย์ก็ได้ความสงบทางใจครับก็ได้การสวดมนต์ก็เป็นเหมือนยกันสวดพระธรรมการสอนของพระเจ้าก็เหมือนกันกบฟังธรรมนะแยถ้าเราฟังธรรมก็ได้ทําให้จิตสงบได้เหมือนกับได้สวดมนต์ใช้แทนกันได้ หรือถ้าอยู่บ้านเองสวนบนเองก็ได้ถ้าเราแม่ถ้าเราอยากจะสวดเองราก็สวดได้เมื่ต้องไปจับกลุ่มด้วยกันในกาสวดเองอเราไปอ่านเศียรของขอ ง, ของการสวดมาแล้วเราก็มาเปิดแล้วเราสวดแบบสัีทิลอาออกมาก็ได้กลุ่มของสุขงานรักษาศีลนะถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดต้องอาราธนาใหม่ทุกครั้งไหมครับ มันความทีอาราธานานี้เป็นการเป็นการแสดงเจตจํานงว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลเวลามีเจตจํานงแล้วเรารที่ว่าเรากําหนดเวลารักษาศีลกี่วัน่ะถ้าเรารักษาศีลสามวันพอพกเก้เจตสามวันเราก็ไม่รักษาถ้าเราอยากจะรักษาใหม่เราก็ต้องไปอาราธานาใหม่ปตั้งเจตจํานงใหม่ตั้งจิตอธิษฐานก็เลียกอธิษฐานจิตใหม่ แต่ถ้าเราบอกว่าจะรักษาศีลไปตลอดชีวิตแล้วก็อลาลาหนเดียวครับถ้าถ้าขาดก็รู้ว่าขาดก็บอกว่าต้องพยายมามบังคับต้องพยายามปรับปรุงตัวเอย่าให้ขาดวิธีที่จะทําให้ไม่ขาดบ่อยก็คือต้องวิธีการลงโทษตนเองใช่ขาดศีลก็ไม่ให้ไปเที่ยวเอาเที่ยนนี้ไม่ให้ไปเที่ยวให้ไปอยู่วัดแทนอะไรอย่างเี้มันก็จะได้มีอะไรมาตรการที่จะมาค่อย คอยห้ามไม่ให้ทําผิดศีลซ้ําๆซักซถ้าไม่มีมาตรกา ร, บ, ารบังคับไม่มีการลงโทษมันก็อาจจะเม่เป็นไรเดี๋ยวทําทผิดศีลก็อ่าทําความเข้าใจว่าผิดว่าพยายามไม่ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็ผิดเองมันต้องมีการลงโทษเช่นบางทีก็เอาเงินใส่กระปุกสักห้าสิบาทร้อยบาททุกครั้งที่ทําผิดศีลเอาเงินที่ใส่กระปุกนี้ไปทําบุญเวลาที่ไปวัดต่อไป ถ้ามันต้องมีอะไร่งนี้มันถึงจะยำเกรยอย่างสมัยที่เราเรียนโรงเรียนตอนหลังเนี่ยโรงเรียนานานาชาติเขาบังคับไม่ให้พูดภาษาไทยถ้าพูดภาษาไทยครูเขาได้ยินเขาจะจ็บเขาจะปรับครั้งละหนึ่งบาทเรานงบาทยังมันเยอะนะเพราะสมัยนั้นมันก๋วยเตี๋ยวชามละแค่บาทสองบาทเท่านี้ก็เลย พอโดนปรับสักสองสามครั้งเข็ดนะทีไม่กล้าพูดไทยกับเพื่อนนะต้องพูดาภาษาอังกฤษเวลาอยู่ในลรงเรีนนะมันต้องมีมาตรการลงโทษบ้างมาถึงอย่ายำเกรงเดี๋ยวเต็มกระปุกเลยครับคุณวชิรวิทย์ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ัหมครับ ง่าการสอนนั้นก็เป็นวิธีฝึกสมาธิภายในตัวนั่นเองคุณธนวันครับการที่จะแยกกายกับจิตออกจากกันได้ต้องมาจากการทําสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะเบื้องต้นการต้องยากในสมาธินะครับพอแยกได้แล้วเห็นแล้วว่าออกจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกั น, <ม>นเวลาออกจากสมาธิมาจิตกับร่างกายก็จะมารวมตัวกันเหมือนเหมือนตอนที่ไม่ได้เข้าสมาธิ พอรวมตัวแล้วทีนี้ก็ค่อยเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่เรานะมเวลามันเป็นอะไรก็ไม่อยากไปทุกข์กับมันอดูแลมันไปแต่ถ้าเกิดมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาพอจะสมาธิแล้วมาต้องใช้ปัญญามาค่อยสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คือต้องคิดว่าไม่ยอมมันก็ตายอยู่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับาอาจารย์ถ้าไม่ยอมมันจะทุกข์ถ้าไม่ยอมมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมครับคุณกมลวันครับการเห็นนิพพานของโสดาบันคือการมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในจิตทุกขณะเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นจะคิดถึงนิพพานเพื่อจะมาตัดสกัดความอยากทําทุกอย่างเพื่อ น, นิพพานไหมคะนิพพานนี้ เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเป็นผ้าหลานแล้วถึงจะเข้าถึงอารมณ์ของนิพพานได้โซนาบานก็อาศัยอารมณ์ของสมาธิความสงบมุอเบกขาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็หยุดหยุดความคิดปรุงแต่งจิตก็จะสงบตัวลงความอยากที่สร้างความทุกข์ก็จะระงับไปชั่วคราวถ้าระงับด้วยสมาธิถ้าอยากจะระงับด้วยให้มันหายไปหมดอย่างท้าวหมก็ต้อ ง, งรับด้วยปัญญา สนับสนุนด้วยสมาธิต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาที่เรียกว่าภาวนาเมโยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรืยากการค่ายควรสอนใจนี่มันไม่มีกำลังพอต้องมีอัปปนาสมาธิมีสมรรถภาวนามาสนับสนุนเพ่สามารถปล่อยวางร่างกายได้คุณธีระครับ สติในช่วงหลับไปอยู่ที่ไหนครับทําไมสติไม่ทําหน้าที่ปล่อยให้เกิดแต่ความฝันอย่างเดียวครับผมเบื่อความฝันที่เกิดขึ้นมากไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากฝันแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอถึงเวลาหลับมันก็ไม่มีสติถ้ามีสติมันก็ไม่ได้หลับทางร่างกายมันถึงเวลามันก็เหนื่อยมันก็ต้องพักผ่อนหลนอนมันก็เลยทําให้สติหายไปคุณชัยพจน์ครับ การพูดเล่นหยอกล้อจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นการผิดศีลข้อเพอร์เจอร์หรือไม่ครับก็น่าจะผิดนะเนราะว่ากไม่ควรที่จะพูดเล่นการพูดหลายพูดให้มัน ใ, ให้มันมีประโยชน์ดีกว่าพูดต้องรรมกากในการในการพูดเล่นกันคุณวันธนาครับทางรัฐการทำสมาธิให้เร็วมีวิธีอย่างไรครับ ก็ฝึกพุพโทโธไปทั้งวันนะท่องพุโทโธไปทั้งวันนะนับที่สุดแล้วเบขึน้นมาก็พุโทโธไปแล้วก็ทั้งหลับนะแล้วก็หยุดพุดโทโธถ้าทําได้เนี้ย น, นั่งสมาธิห้านาทีจิตก็สงบ ไ, ไ, ได้ไม่นานไหมตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่มีแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ทําได้ยากนะครับถ้าทั้ทหลับเนี่ครับผม คุณอังคณาพรครับหากเจอนิมิตในเวลาปฏิบัติธรรมต้องแก้ไขอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ใควบคุมใจจะเป็นพุทธโธก็กลับมหาพุทธโธดูลงก็กลับมาดูลงอยา่าไปสนใจมันเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบองครับไม่ใช่เป็นอนัตตาอ น, นุแจงก่อนหน้าเดี๋ยวมันก็ดับไปเองถ้าเราไม่ไปนสนใจไม่แป้ครับถ้าเราไปสนใจนี้วเราจะไปปูแต่งแล้วก็ไปสร้าง อารมณ์ตามม า, อ ย, าอย่าไม่เสียเวลาให้กลับมาภาวนาต่อคุณสมพรครับการฝึกตัวเองให้มีวินยัยต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรดีครับก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขามีวิ น, ยนัยเยเราไปบวชเนี่ยไปบวชกับพระพระเขาก็มีวินยัยคนที่มาบวชสามเดือนเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามพระไม่กินข้าวไม่กินข้าวเย็น เช้าก็ต้องออกบินตบายเย็นก็ต้องลงโบสถ์ไหวพระสวดมนต์ถ้าเราไม่มีวินัยเองเราก็ต้องไปอยู่กับคนที่ก็ไมีวินยัยหรือที่เขาจัดเขาเขาจัดคอสปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันเนี่ยที่คนต้องไปเข้าคอสกันเพราะว่าอยู่บ้านทําเองไม่ได้ไม่มีวินยัยก็เลยต้องไปให้เขาบังคับไปอยู่กับเขาแล้วเขาบอกดีสีตื่นดี 4, สี่นงโบสถ์ไหวพระสวดมนต์ดีห้าเดินจงกรม หกโมงเช้าทำความสะอาดเตรียมตัวรับประทานอาหารเจ็ดโมงมีตารางให้ทำทั้งวันทั้งคื น, นยจะทำถึงตั้งแต่ตื่นจนหลับคุณมาริษาครับทําไมการภาวนาถึงได้บุญมากกว่าการทําทานเจ้าคะคือความสงบมันต่างกันไงความสงบที่เกิดจากการทําทานมันน้อยกว่าความสงบที่ได้จากการภาวนา คุณวันเพ็ญครับลูกฝึกสติสมาธิรู้สึกใจเบาสบายยังไม่อุเบกขาเวลามีสิ่งเข้ามากระทบทางตาหูจมูกดิ้นกายใจยังคิดปรุงแต่งสติเตือนให้รักษาใจภาวนาพุโทโธกลับมารู้สึกตัวกลับไปถามเรื่องการรักษาใจก่อนตายเมื่อเกิดเวทนารมเร้าครับก็เนะี่ยแหละเราอาศัยการภาวนาพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดเวลาอาการตายของางานตายไหวมันเจ็บไปเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธของเราไป ต้องพยายามฝึกให้มากขึ้นพยายามพยายามภาวนาะให้ผู้จนอย่างกระนันมันเป็นอุเบกขาได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับกับความตายไม่ทุกข์กับเวทนาที่ลุมแล้วคุณสมพรครับการฝึกตัวเองให้มีความมัธยัสไม่ฟุ่มเฟือยต้องใช้หลักธรรมต้องใช้การฝึกอย่างไรครับใช้หลักเหตุผลไงเวลาเราจะใช้อะไรเราก็ถามว่าเราใช้เพื่ออะไรเช่นเสื้อผ้านี้เรา พุทธเจ้าทุกครั้งเวลาพระจะบริโภคเสื้อผ้าจีวรนี้ท่านให้พิจารณาก่อนปฏิสังขารอย่างที่สว่าจีวรที่เราสวมใส่นี้มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะร่างกายเอาไว้ป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกอากาศหนาวเย็ยนไม่มาลรงสัตว์กัดต่อยมากัดนั้นผ้าจีวรนี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องมีราคาแพงหรือราคาถูกขอให้มันทำหน้าที่ของมันได้ก็กใช้ได้ อันนี้ก็จะเป็นการตัดความพุ้นเฟือแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาสาเหตุของการแต่งเนื้อเราก็ไปคิดว่าเราแต่งว่าให้มันโก้ให้มันหรูให้มันดูแล้วมีฐานะมีอะไรมันก็เลยต้องสเสียเงินไปซื้อเสื้อผ้าพรที่มีราคาแพงๆเพราะเขาจะมองเราเนอะใส่กุชชี่หรือเปล่าใส่ชาแนลหรือเปล่าอันนี้เป็นความหลงไม่ได้พิจารณาปฏิสังขายอยู่เหตุผลของการใส่เสื้อผ้าว่าใส่เพื่ออะไร เหมือนการบริโภคปจัจจัยเสถีย็กินอาหารก็เพื่อระับความหิวแล้วก็ป้องกันให้ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารจะมาจากพัตคาโรงงานหรืออาหารอยู่ข้างถนนมันก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกันราคาก็ต่างกันเราก็เอาราคาที่ต่ําที่สุดพอาใช้น้อยหมันก็ไม่ต้องหามากใช่ไหมถ้าใช้มากมันก็ต้องหามากมันก็จะเหนื่อยมาก มักน้อยสันโดษคเจโดยการใช้เหตุผลของการบริโภค ป, ปัจจัยสี่ว่าเราบริโภคเพื่ออะไรเราไปอ่านดูจะมีบทปฏาาิสังขารโยนิโสของพระบทเขาเรีปฏาาิสังขายโยนิโสการพิจารณาการบริโภค ป, ปัจจัยสี่คุณหมอว่าเคยบวชไหมครับก็ยังมีให้ส่วดบวนกันทําวัดเย็นแล้ววัดเช้าแล้วก็ยัให้สว่วดบวปฏิสังขารโยนิโส เราจะบริโภคอาหารเพื่อลบความหิวเพื่อรับความความทุกข์ที่เกิดจากความหิวเพื่อไม่ให้มันหิวถ้าไม่ได้รับประทานเพื่อให้เสริมความเป็นฝั่งสวยงามของร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลิในใจอะไรทำนองนี้แต่ตอนบวชนี้อาหารนี้มันไม่ได้ทําให้มีความสูงจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> มันโดนครุกอยู่ในในบาทเดียวนี้่ก็หมด อันน้นก็เปนวิธีปาปากกิเลส ท, ที่ติดรสชาติของอาหารร ร, ร, รของอาหารแล้วอยากจะกินก็ทำากเหมือนนการคุกอาหารในบาดไปเลยคุณอังคณาพรบอกว่าการจุดพลังอำนาจจากสติกับเข้าถึงอุเบกขาเหมือนกันไหมครับถ้ามีสติมากๆมันก็สามารถดึงจิตเข้าอุเบกขาได้ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เจริญสติให้มากสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้สมาธิอุเบกขาปัญญาจะเกิดไม่ได้คือปัญญาที่เรียกว่าภาวนาเมาย์ปัญญาจะเกิดไม่ได้เกิดได้ก็แค่สุตตามาย์ปัญญาและจิตตามาย์ปัญญา คุณพีโกถามว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทใช้กับทุกภพกภูมิไหมครับมันเป็นแผนที่ของการทํางานของจิตนะจิตที่มีอวิชชาเป็นผู้มองการจิตมันก็ก็จะถูกให้ผู้มงการไปคิดปรุงแต่งด้วยสังขารปรุงแต่งเพื่อไปหารูปเสียงเกิน่นรดมันก็จะไปทางวิญญาณวิญญาณก็จะไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปสัมผัสกับรูปเสียงเกิน่นรด เัาจะได้เสพเวทนาที่เกิดจากการได้เสพสัมผัสมสุขเวทนาเมร่อเกิสุขเวทน า, า, ข, นาขึ้นมาก็อยากจะให้มีสุขเวทนาก็อยากจะไปเสพอีกมันก็เกิดอุ ป, ปทานความยึดติดในการเสพมิตเสกินรสการยึดติดก็เลยพาให้ไปสู่การ ม, มีภาวะพบใหม่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแนละ้วมันก็จะไปเกิดใหม่ไปเสพต่อ นี่ก็นี่คือแผนถังของการของการทำงานของจิตที่มีอวิชชาเป็นผู้ควบคุม ค, ครับคุณธินพัฒนครับจากโซดาปฏิมาศูสู่โซดาปฏิผลใช้เวลานานเท่าไหร่ครับไม่น่าแล้วแต่ละคนอยู่ที่ว่าปฏิบัตินี้ชนเทให้มากให้น้อยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เวลาที่เราทุ่มเทให้อย่างว่า พระอนุนี้เป็นพระโสดาบันแต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเลยไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแต่พอหลังจากที่พระเจ้านิพพานไปแล้วพระมั น, นก็ว่างตกงานครับไม่มีงานทําก็เลยเวลาว่าไปภาวนาะก็เลยไปเปีกไม่ไม่ปฏิบัติอยู่สามเลยก็บรรลุดได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่อะไรอย่างพระ โซดาบันคนแรกของพระพุทธศาสนานก็คือพระอัญญาณโนัญญะท่านก็ปฏิบัติศีลกับสมาธิควบคู่มากับพระเจ้าตลอดหลายปีนี้นกันแต่ไม่มีปัญญาต้องรอพระเจ้าบรรลุเป็นพระเจ้าแลมาสอนโฮเจ้าแสดงธรรมขั้งแรกอัญญาณโกนทัญญาได้ยินได้ฟังกริย า, าสัจสีก็เข้าใจก็สามารถบรรลุได้ทันทีจากการทำเทศนในขนาดนั้นเล ย, เยนั่นแต่ ก่อนก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรุกไม่มีมาร์กนี่คือไม่มีโสดาปฏิมาร์กเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีเลยไม่มีอาญาบุคคลเลยไม่แต่คนเดียวเพราะไม่มีใครรู้ทางต้องเราให้มีพระพุทธเจ้าค้นพบทางก่อนเป็นพระหลานคนแรกก่อนพระพุทธเจ้านี่เป็นพระหลานพระหลานกัสสามาสสุตตเจ้าเป็นพระหลานที่ที่ตัดสลุกรำด้วยพระองค์เองตัดสลุกทางสู่การบรรลุพระหลานก็คือมาร์กแปดนี่ พอแสดงทำพอบรรลุแล้วนะทีนี้ก็เอาธรรมที่บรรลุนี่มันสอนคนอื่งเพราะเขาอย่างได้ยินดีฟังถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้ว ม, ม, มีสมาธิมีศีลอยู่แล้วก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ทังธรรมเลยในยุคแรกๆพระเจ้าจะมุ่งไปสอนพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วเลยเพราะมันง่ายสอนปุ๊บามบรรลุผลเลยได้ผลเลยจะได้พวกที่มนมามาช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไปพอมันรลุเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกไปแยกทานกันไปคนละทิศ เอาความรู้นี้ไปเผยแพร่กับผู้ที่อยากจะรู้ต่อไปตรงตอนนี้ท่านจำเลือกสอนแต่พวกนักบวชเท่านั้นพวกที่ยังไม่เป็นนักบวชนี่ต้องใช้เวลามากเมืนพวกที่ยังเรียนอยู่ชั้นมระถมชั้นมัธยมนี่ย่าเพิ่งเพ่ไปสอนต้อที่อยู่ชั้นระดับมหาลัยก่อนเพราะเก็บผู้มหาลัยหมดแล้วค่อยลงมาสอนพวกมัธยมต่อไปแล้วพวกมัธยมก็มาสอนชั้นมระถมต่อไป คุณสมพรครับบอกว่าเพื่อนร่วมงานกินแรงไม่ให้ความร่วมมือในการทํางานออกจากเพลงานฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทําให้โยอารมณ์พุ่งปรีด้ดวยความโกรธด้วยความเสียความรู้สึกโยอาจเป็นคนผิดเองเป็นไปได้สูงมากที่ไปคาดหวังความรับผิดชอบร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานชนิดแบบคาดหวังเต็มร้อยเปอร์เซนตโยมต้องใช้ธรรมะข้อใดามาอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ครับ ก็เราบังคับเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นอินฟราอากาศไหเราบังคับให้ฝนไม่ตกได้เปล่าสั่งให้ฝนตกได้เปล่าก็เหมือนกันเราไปสั่งให้เขาทางานแต่เขาไม่ทํำเขาก็เป็นเหมือนฝนก็เราบอกเขาว่าเป็นดานัสตาเป็นสภาวะธรรมทางธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งหรือไปบังคับเขาได้ก็อย่าไปสั่งอย่าไปอยากให้เขาทำเราก็หาย แล้วก็หายทุกแล้วก็ทำสว่วของเราไปทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นเองครับคุณแพมครับถ้าชาตินี้เราจบที่โสดาแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปในกรณีนี้เรายัางเป็นโสดาบันอยู่หรือไม่ครับเรนแล้วก็ทางานต่อไปแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติต่อไปขั้นต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นโทษของการเสพการเพราะมันทำให้ทุกเวลาไม่ได้เสพ ร, ร mm. อะไร หาวิธีเลิกเสพดีกว่าเป็นบรรยาเสพติดนะติดติดสุลามันก็ต้องเดิ่งเรื่อยเวลาไม่มีสุลาหนึ่งก็จะงดเหงียะเหมือนกันถ้าไม่อยากจะเป็นทายของสุลาก็เลิกดื่มมันเสียพอเลิกดื่มสุลาได้ปับ๊บมันก็ไม่ทูกกับเรื่องโซลัยต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันน้ชอยากจะเสกการมอยู่ก็ต้องเลิกมันให้ได้าด้วยการเห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายมันก็จะไม่อยากเสก อาจารย์ครับอย่างนี้แปลว่าโซดาบันถ้ามาเกิดใหม่นี้จริงๆก็ถ้ายังไม่ก้าวต่อไปก็จะหาคู่ครองอะไรต่อไปเรื่อยๆอยู่นี้ใช่ไหมใช่แต่ว่า จ, จะอาจจะเจอความผิดหวังเจอความทุกข์ก็ได้เช่นคู่ครองอาจจะไปมีชู้ก็ได้เมื่อใดก็นี้อย่า ง, ง, ง, งน้อลวงปู่ขางนี่ท่านก็มีภรรยาแล้วภรรยาก็ไปมีชู้ท่านก็ตอนที่ได้ตอนที่รู้ใหม่นี้ท่าอกท่านอยากจะฆ่าทั้งทั้งชูทั้งภรรยาของตนเองเลย แต่พอดีมีสติมายับยั้งไว้ว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เรวกว่าเขาเล้กเพียงแต่ถาราพูดผิดประเพณีนี่เราไปฆ่ามันเรายิ่งเรวล่าสกว่าเขาก็เลยได้สติมองเห็นอนิจจังของความไม่เที่ยงของความสุขที่ไม่เที่ยงของการจากการเสกการมท่านบไม่ครับเราต่อไปนี้เลิกไปบวชดีกว่าประการบอกชาวบ้านเข า, า, าว่าต่อไปนี้ภรรยาของข้าพเจา้าข้าพายาวยกให้ชูไปแล้วเขาไม่ได้เป็นภรญยาของเราเพราะเราจะไปบวช ไม่ถือโทษกอดเครื่องให้อภัยเมตตาให้อภัยแล้วก็ไปบวชไปหาไปปฏิบัติกับน้องปู่มัน่นจนในที่สุดเขามารู้เป็นพระหลังขึ้นมาท่านอาจจะเป็นโสดาบันมาแล้วก็ได้นะ่ะไม่รู้เนะี่ยไม่มีเพราะถ้าไม่เป็นนี้มันจะมีกําลังพอที่จะไปบวชได้เนฉะพาะกําลังที่ยันยับยั้งการฆ่าการกระทำบาปไดนะ้โอกาสน่า จ, จะมีวนะ่าท่านอาจจะเป็นโสดาบันมาแล้วก็ได้ อันนี้เป็นเพียจากการคาดการณ์นอนะอ ย, อย่าถือเป็นประเด็นสำคัญ เ, นะเป็นข้อคิดเพียงนึ่งว่าถ้าเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่เป็นพระนริยานี่อาจจะยับยั้งความโกรธกันได้เนี่ยมีข่าวค่าวอยเรื่อย เ, เวลาที่พบว่าภรรยาสามีของตนมีชู้นี่เลืตาขึ้นปับ๊บความโกรธขึ้นปั๊บฆ่าทั้งเขาแล้วเอามาฆ่าตัวเองจบอีกที่หนึง่งอย่างนั้นจะเป็นบุตรชนเต็มร้อยแนะ่ ถ้าเกิดความโกรธแล้วยับยั้งได้เห็นว่าการทาบาปนี้นนร้ายกาจก็เลยไม่ทำอาจจะแล้วอาจจะมีเพื่อมีนิสัยมีเชื้อของฟาโสดาบันก็ด้ถ้าถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นฟาโซดาบั น, น <c oughs> คุณแต้มสีครับดิฉันเวลาทำบุญทาทานถ้ารู้สึกภายหลังว่าของที่ซื้อมาเป็นของไม่ค่อยดี <c oughs> เช่นเป็นเบเกอรี่ที่ไขมันสูงมาก หรือเป็นของที่ไม่อร่อยดิฉันจะไม่อยากเอาไปถวายพระหรือให้คนอื่นอย่างนี้เราทิ้งไปถือว่าดีกว่าเอาไปให้คนอื่นไหมคะดิฉันเชื่อว่าให้สิ่งใดกับสิ่งใครสิ่งนั้นจะอยู่กับเราถ้าให้อาหารไขมันสูงไขมันก็จะอยู่กับเราค่ะคือการกระทําอะไรเราก็อยากจะให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษถ้าเราว่าสิ่งที่เราให้เขาแล้วทําให้เขาใค้เกิดโทษกับคนรับเราก็อยากคุนให้เช่นให้สุรายาเมาอย่างนี้เราก็รู้ว่าไม่ดี ให้ยาเสพติดเก้านี่ยมันก็ไม่ดีแล้วก็จะไม่ให้สิ่งที่เป็นที่จะทําให้เกิดโทษกับเขาเราอยากจะให้สิ่งที่เกิดคนเกิดประโยชน์กับเขาจะให้ร่างกายเขาแข็งแรงสุขภาพดีก็ต้องมีอาหารอาหารที่เป็นอาหารอนามัยอาหารออร์แกิไม่มีสารปลอดสารพิษอะไรต่างๆเป็นต้นอย่างนี้ อันนี้ก็ควรที่เวลาจะทำบุญเวลาจะช่วยใครจะให้ของนะั่นคิดถึงผู้รับว่าจะเป็นโทษก็เป็นคุณของเขาถ้าเป็นโทษก็อย่าไปให้เขาถึงแม้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนบางคนเช่นให้เงินทองครับเด็กนี้บางทีก็ไม่ควรให้ถ้าเด็กยังไม่อยู่ในวัยที่จะรู้สึกอใช้เงินใช้ทองอย่างถูกต้องให้เขาไปเดี๋ยวก็ไปซื้อของเล่นของเกมของเก่งเลยทําให้เขาเสียนิสัยได้ ก็ไม่กดให้ครับเขาต้องพิจารณาทุกครั้งที่จะให้ทานว่าสิ่งที่เราให้นี้เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับผู้รับถ้าเป็นโทษก็อย่าไปให้คุณสมพรครับยอมรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทั้งฟังธรรมะวิสัชนาธรรมแบบไลฟ์สดของค่าคืนวันอาทิตย์กับฟังธรรมะจากตามไดฟ์การฟังธรรมะทั้งสองช่องทางที่ว่ามาได้บุญเหมือนกับการไปได้มาวัดยาณสังวรารามหรือไม่อย่างไรครับ ก็อยู่ที่สงบหรือไม่สงบถ้าสงบเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันถ้าไม่สงบก็มันก็ไม่ได้เท่ากันการฟังธรรมแต่ละครั้งมันอาจจะแล้วแต่สติของเราวันไหนมันเรามีสติดีก็อาจจะฟังแล้วสงบมากวันไหนสติไม่ค่อยดีก็อาจจะสงบตอนหรือไม่สงบเลยก็ได้นั่นหมายถึงมันวัดตัทยวัดที่ที่ผลเวลาฟังแล้วเราเกิดความสงบือเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจ ในธรรมที่เราได้ไ ด, ได้ได้ฟังหรือไม่ถ้าสงบก็จะได้สมาธิถ้าเข้าใจความเข้าใจก็จะได้ปัญญาได้สมาธิิีคุณมานพครับหลังจากสวดมนต์แล้วนั่งจเจริญวิปัสสนากรรมฐ า, านแล้วใจก็ยังว้าวุ่นตลอดอยากให้พระอาจารย์แนะนําวิธีแบบง่ายๆในการนั่งจเจริญสติครับเมื่อควรที่จะไปจะเจริญวิปัสสนาถ้าจิตยังไม่สงบ การทำจิตให้ท่านไม่ได้การเจริญวิปัสสนามันต้องใช้ความคิดปรุงแต่งมันก็ยิ่งทําให้จิตฟุ้งขึ้นใหญ่ใหญ่ดงนั้นเบื้องต้นอยากเพิ่มการวันเรื่องวิปัสนาให้การวันเรื่องสมถะําใจให้สมองไม่การหวันเจริญสติให้มากเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่นั้นจำามาทําแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ทำอะไรนี้ให้มีพุโทโธคอยควบคุมใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆคุณปลายฟ้าบอกว่าผมต้องการบวชพระปฏิบัติธรรมที่วัดยานผมสามารถเข้าไปบวชได้เลยไหมครับขอคำแนะนำครับอันนี้ต้องไปขออนุ ญ, ญาตกับเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รับพระที่จะมาบวชกนที่จะมาบวชเป็นพระ ท่านก็เป็นพระอุปชาด้วยเป็นผู้ทําทําพิธีบวชให้งั้นเราไม่สามารถตอบคําถามนั้นได้เพราะว่าเราเป็นลุกวัดลุงวัดก็เลยอย่างไม่เหนื่อยแต่เป็นท่านเป็นญาติว่าด้วย ป, ประชาด้วยว่าไม่มีเวลาทําอะไรแต่ละวันใครก็ต้องมาหาเจ้าว่าต้องมาหานี่สบายไม่ค่อยมีใครม า, ามาหาเฉพาะเรื่องทำนมำอย่างเดียวแต่พระอาจารย์เคยรักษาการอยู่ พักใหญ่เลยนี่ครับอาารก็รักษาแบบแบบแบบเมื่อได้เป็นนะมันก็เป็นแบบว่าเป็นช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันให้คำปรึกษาท่านนั่นเองแล้วก็ไม่มีใครก็ถือว่าเราเป็นเจ้ า, าวาดอยู่ดีเวลาใครก็จะต้องการเราเขาว่าไปหาเจ้ า, าวาดตัวจริงก็คือตอนนั้นก็สำสำเร็จท่านเป็นผู้รักษาการอ คุณประชาครับผู้ที่ได้โสดาปฏิผลแล้วถ้าไปเกิดใหม่จะเป็นโสดาทันทีหรือจะอ่อในใคล้ายคล้ายเดิมหรือต้องฝึกใหม่เป็นอยู่แล้วนะมันจบม .6 แล้วก็เวลาย้ายโรง เ, เรียนไเรียนโรงเรียนใหม่ก็ไม่เรียนม .6 ซ้า น, นะก็จะต้องไปเรียนมหาลัยหรือปชอปสต่อไปคุณปาล์มครับการทำสมาธิจนถึงอปปนาสมาธิเวลา วิปัสนาความละเอียดในการพิจารณาจะต่างจากอุปจาระสมาธิอย่างไรครับมันไม่มันมันไม่ใช่การละเอียดและไม่ละเอียดเนื่องของวิปัสนากับเรื่องของสมาธินี่มันคนละเรื่องกันเราทำสมาธิได้อุปัปปนาสมาธิจะได้อุเบกขาในความนิ่งเฉยแต่ถ้าเราไปทางอุปจาระสมาธินี้จิตจะไม่นิ่งเฉยจิตจะไม่มีอุเบกขาแต่จิตจะม่อิเนิตปิหาร สามารถไปท่องเที่ยวในนรกในสวรรค์ไปพบกับเทวานาอินพรหมอะไรต่างๆได้มันต่างกันตรงแต่อุปจารสมาธิจะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้พ เ, เพราะกาดอุเบกขาเห็นผู้ปฏิบัติถ้าเข้าทางอุปจารสมาธิคนจะคนยังรงับไว้ก่อนอย่าไปทางนั้นให้มาทางอปนาสมาธิให้จิตรวมเนื่งสงบเป็นอุเบกขาให้นานๆแล้วเวลาออกมาใช้ทางปัญญา การพิจารณาละเอียดลอย่างนี้มันได้อยู่ที่สมาธิอยู่ที่การฉลาดของผู้ใช้ปัญญาว่ามีความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ามีความฉลาดมากก็จะพิจารณาได้ละเอียดรอบคอบ ม, มากกว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยกว่าคุณปอนครับลูกนั่งสมาธิเป็นประจำวันหนึ่งเมื่อนั่งเสร็จได้ยืดขาแล้วมีอาการเส้นยึดและปวดหัวเข่ามากไม่สามารถงอเข่าได้นานเป็นเดือน ลูกควรจะนั่งสมาธิแบบเดิมต่อไปโดยอดทนกับความเวทนาแบบหักดิบไปเลยหรือควรเปลี่ยนวิธีดีครับอันนี้เราไม่ทราบนะ ว, ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ก็นั่งเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ จ, จะนั่งแล้วมันอาจจะยึดติดชั่วไม่กี่นาทีพอขยบับขยบัขยบแข้งขยับขาแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติถ้าของคุณเป็นถึงเป็นมนนือกาจจะต้องไปหาหมอ็รับู่ว่าเป็นอะไรกันแน่ ถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องเป็ี่ยนทานั่งนั้นเองถ้านั่งการสมาธิไม่ได้ก็นั่งค่อยเท้าไปคุณซิกมาครับผมดูตัวเองแล้วรู้ว่าขี้งุดหงิดแต่รู้ตัวทุกครั้งเหมือนมีอะไรผุดผุดเดือดเดือจากกลางอกขอแนวทางปฏิบัติครับพวามุน่นี้เกิดจากความจุ้จี้จุกจิกของเราความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันถูกใจเราเนี่พอไม่ถูกใจเราเราก็เกิดอาการงุดหงิดขึ้นมา เราต้องหันมาเปลี่ยนจะวิธีความคิดความรู้สึกของเราต่อไปนี้เราอยากไปหวังอะไรจากอะไรมากนะักให้ยินดีตามมีตามเกิดไมห่หัดสันโดษอยากไปยุี้จุบ จ, จิ้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้งั่นจะต้อได้นี่เพราะมันทําให้เราบ่นยินเพราะเราควบคุมบังคับไม่ได้ของพวกนี้งั้นพว่าอย่างเพิกหัดใจทำเป็นสนโดษยินดีตามมีตามเกิด คุณไอยกบอกว่าวันก่อนจิตลูกเกิดอารมณ์อยากให้บางอย่างเป็นดั่งใจตนก็ทะเลาะกันเจ้าขา่าระหว่างปัญญาแบบกิเลสกับปัญญาแบบธรรมสุดท้ายปัญญาแบบธรรมชนะเจ้าขา่าจิตฝังลงตรงนี้แล้วไม่ทําบาปเด็ดขาดเจ้ า, าำค่ะทําคําสอนของว่าอาจารย์เตือนสตินะครับครับคุณดาราบอกว่าสักกายทิฐิคืออีโก้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือไปเห็นว่าร่างกายมีตัวตนเนี่ย เฉ่าร่างกายกับเวทนาความรู้สึกว่าความรู้สึกก็เป็นเราร่างกายก็เป็นเราความจริงไม่ได้เป็นเราร่างกายก็ไม่ได้เป็นเราความรู้สึกหรือเวทนาก็ไม่ได้เป็นเราคุณแว่นครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสงฆ์หรือผู้ใดได้เป็นพระโสดาบันแล้วครับอ่อยาง่ายไปสนใจเลย เพราะว่าจะรู้ได้จริงๆเราต้องเป็นโสดาบันแล้วเราไปคุยกับท่านเหมือนคนที่จบปริญญาจบหมอมาแล้วเราไปคุยกับคนที่เขาว่าเขาเป็นหมอดูนะก็จะวัดภูมิปัญญาของเขาได้ว่าเขาจบจริงหรือเปล่า้าอาจจะมามาแหกตาก็ได้เพราะจบหมอแล้วแต่ถ้าเราเป็นหมอจริงนี่เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยการคุยกับเข า, าถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยัางไงก็ถามปัญหาื็ Wide อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายังถ้าเรายังไม่เป็นโสดาบันยากกว่าที่เราจะไปรู้ได้ว่าผู้อื่นเขาเป็นโสดาหรือั้ยคุณแพมครับเวลาหนูนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอสงบได้ในระดับหนึ่งภาพศพแบบต่างๆที่หนูเคยเห็นสัญญาความจำมันปรากฏขึ้นมาหนูเลยเอามาปรุงแต่งพิจารณาน้อมเข้าหาตัวเองได้แป๊บเดียวก็ฟุ้งซ่าน หนูควรหยุดทําไหมเจ้าคะ่ะหรือต้องทําสมาธิให้ชำนาญจิตตั้งมั่นก่อนค่อยมาพิจารณาครับถ้าเป็นฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วกลับมาทําสมาธิก่อนสมาธิเรายังไม่ไม่หนักแน่นพอไม่มากพอพอเราปล่อยให้ไปคิดปั๊บมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาเราไม่ฟุ้งจิตสงบออันนี้ก็พิจารณาได้นอต้องดูกําลังของสมาธิของเร า, ว, าว่าเวลาเราเจริญปัญญาแล้วทําให้เกิดอาการฟุงร้งซ่านหรือไม่ ถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดไว้ก่อนกลับมาทําสมาธิให้มากขึ้นก่อนแต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่ฟุง้งซ่านจิตสงบต่อไปได้ก็พิจารณาได้คุณก้าวเดินครับเหตุใดพระโพธิสัตว์ถึงยังไม่บรรลุอรหันต์ครับก็เพราะว่ายังไม่ได้เห็นอริยสัจสี่แล้วก็ไปอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีคําสอนพุทธเจา้าก็เลยไม่มีไม่มีทางรูได้ เรต้องไปบำเพ็ญบา ร, รมีต่อไปเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายสาิทธัตถะยังยังไม่เห็นอนริยสัจสี่ใยังทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอไปบปําเพ็ญบา ร, รมีอีกหกปีบําเพ็ญสมาธิบําเพ็ญสีบา ร, รมีสมาธิอุเบกขาบา ร, รมีบําเพ็ญปัญญาบา ร, รมีพิจารณาข้าดควรก็ได้ได้ได้ทำให้บา ร, รมีเต็มร้อย เป็นานก็เลยทาให้สามารถเห็นนรยิยสัจ ส, สี่ขึ้นมาได้คุณพอครับสมมุติว่าร้านอาหารที่ไปกินมีปลาอยู่ในตู้ปลาแล้วเราไปนั่งไปสั่งเมนูที่มีปลาในตู้นั้นโดยที่เราไม่ได้ไปชี้ว่าปลาตัวไหนนะครับแบบนี้บาปไหมครับหรือผิดศีลไหมครับอย่าเป็นศีลวัชายเลยแล้วก็เราอะชี้ไปชี้เขาก็ตกเป็นขอาปลาที่ก็ถ <c oughs> <c oughs> ้าถ้า ถ้าไม่อยากจะทาําบาปก็สั่งไข่เจียวหรือสั่ผัดผักไปก็แล้วกันอยา่าไปสั่งปลาหรือถ้าถามเขาว่าปาาที่ตายแล้วมีหมอะไอย่างเงี้ยเขาก็บอกมีอ่ะอย่างนี้เราก็เอาที่ตายแล้วนะ่อันนี้ก็ไม่บาปแต่ทาไปไม่รู้ไม่ชี้แนละ้วแต่นึกๆก็รู้ว่ า, าเขาต้องเอาปลาใตู้มาทําให้เรากินอย่างเงี้มันก็บาปอยู่ดีนะ คุณสีนวลครับบอกว่าดิฉันรังเกียจพ่อสามีมากแต่ยังต้องดูแลเหมือนพ่อเราเองยังต้องอยู่บ้านเดียวกันเราจะบาปไหมครับจะวางใจอย่างไรครับเธอไปรังเกียดมันก็เป็นกิลเลสอย่างหนึง่งเท่นั้นเองขาดความเมตตาขาดการขาดปัญญาไม่เห็นว่าเขาเป็นเพียงร่างกายที่เราในฐานะที่เราเป็นลูกถ้าจะไม่เป็ น, ป น, ปนพ่อแม่ของาแท้จริงเราก็เป็นเหมือนลูกลูกบุญธรรของเขา เราก็ต้องดูดูเขาไปตามตามสภาพไม่ควรที่จะไปรังเกียจขาดความเมตตาต้องให้อภัยไม่ชอบข้อรงไหนก็ให้อภัยเข้าไปคุณสิริวิทย์ครับจับบรรลุ ธ, ธรรมสัดส่วนของสมาธิและปัญญาต้องเท่าเท่ากันไหมครับอสมาธิก็ต้องเต็มร้อยปัญญาก็ต้องเต็มน้อยเหมืนอนเดียวย่างต้องเต็มน้อยหมืน คุณนัดหรือไทยครับกราบขอวิธีที่จะทําให้ไม่ห่วงลูกมากและกลัวการพัดภาคจากลูกครับตอนนี้ติดลูกมากครับมันคิดอยู่บ่อยๆที่ <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดภาคจากกันชีวิตเราเป็นเหมือนลงละครตัวละครเราไม่เล่นละครกันเดี๋ยววันหนึ่งพอละครจบเราก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางลูกก็ไปทางหนึ่งเราก็ไปทางหนึง ต้องคิดบ่อยๆพระชาพระชาสอนให้เราหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันอยู่เรื่อยๆพอคิดบ่อยๆแล้วมันจิตก็แย่ๆยอมรับความจริงได้ถ้าไม่คิดมันก็จะมันก็จะไม่ยอมรับความจริงมันก็จะไปอยากให้ไม่มีการพัดพลาดจากกัน <c oughs> คุณประชาครับ บางวันตั้งสติแต่เช้าว่าจะไม่โมโหเจอคนกวนใจก็ทนได้ไม่โมโหพอผ่านหลายๆวันไม่ได้ตั้งสติเจอคนกวนแล้วโมโหมากแบบนี้เรียกว่าไม่มีสติไหมครับควรฝึกปฏิบัติเพิ่มอะไรดีครับก็ฝึกสติเหมือนที่เราวันที่เราไม่โกรธมันไม่โมโหทําทําทุกวันทำมันเหมือนกันทำแบบวันที่ทําให้เราไม่โกรธคุณนัทวไลพันธ์ครับ โยมขอเดนถามคนที่ปล่อยให้ร่างกายตายเองโดยไม่กินอาหารและน้ำบาปไหมครับไม่บาปหรอกไม่เลยไม่เลยไม่ค่ามันป่อยให้มันถ้ามันตายไปตามตามธรรมชาติของมัน <c oughs> คุณมนุษย์ครับพระอาจารย์ครับผมจะเปิดนิมิต ด, ดีไหมครับถ้าเปิดจิตผมมนมันวุ่นวายไม่เหมือนตอนนี้ที่ปิดไว้ อันีไม่ทราบเหมือนกันเปิดนิมิตเปิดยังไงเราไม่ต้องการนิมิตเวลานั่งสมาธิเราต้องการความว่างเพราะนิมิตนี้มันก็เป็นไตรลักมันทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดไปติดกับมันนี่นไม่ควรไปสนใจให้ความสําคัญต่อ น, นิมิตการปฏิบัตินี้ต้องการความว่างความสงบเป็นเป้าหมายครับคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับ เราตัดการมาราคะโดยไม่ต้องพิจารณาอาสุภะแต่ใช้การพิจารณาทางใจและสัมพันธ์กับทางกายคือได้ตัดมดลูกออกไปทำให้ไม่มีฮอร์โมนทางเพศอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเจ้าคะก็ลองดูสิลองมาดูหนังโป๊หนอยแลวมันจะมีลมทางเพศหรือเปล่าคุณสายขาวครับเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหาราชเกิดจากผลกรรม หลวงพ่อจะแนะนำพวกเราปฏิบัติเพื่อต่างๆจนพ้นสิ้นทุกข์อย่างไรครับที่ได้ผลในชาตินี้ครับก็ต้องปฏิบัติสิ่สมาธิปัญญานี่ปเป็นบวชบวาเป็นพระถือสิ้นสอง้อยี็ดข้อแล้วก็ไปเปรกวิเวงไปเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาจากครูบาอาจารย์แล้วเข้ามาพิจนารณาต่อ จนกระทั้งสามารถละสังโยชน์ให้หมดไปได้ก็มันต้องเป็นผ้าหันไดในใน้ในชาตินี้คุณแต้มสีถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งการซื้อหวยเป็นการผิดศีลไหมครับถ้าผิดศีลเพราะเหตุใดครับไม่ได้ผิดนะมันเป็นอายุกท่านเองถ้าถ้าถ้าไปซื้อแบบที่ว่ามันทําเป็นอาชีพเนี่ยบังที่จะอ า, อาศัยรายได้จากการถูกหวยนี่ อันนี้เป็นโอกาสที่จะแจ้งมากกว่าที่โอกาสที่จะได้ยึงไม่เป็นสิ่งที่ควรที่จะไปเสี่ยงเหมือนเหมือนเลนการพนันนะครับท่าแต่ถ้าเสีถ้าซื้อแบบใบสองใบเสี่งยงโชคยงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นระบายนะแต่เราเป็นการเสี่ยงโชคหรือเป็นการทำบุญเมืม่อหน้ที่ว่าถ้าเราไม่ถูกเงินที่เขาต้อเตอรี่กองกลางสมรรถเขาก็เาไปทําประโยชน์ให้กับสังคม อันนี้เรถือว่าเป็นการร่นทําบุญทําทานไปกันแล้อันนี้ครับข้อสอเลยครับอาจารย์ตอบเรียบร้อยครับการที่เราซื้อลอตเตอรี่เพราะอยากทำบุญกับรัฐบาลให้รัฐนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์สังคมผิดสีไหมอันนี้ตอบเรียบร้อยไม่ผิดไม่ผิดครับคุณสิงโตครับเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้อย่างไรบ้างครับว่าตัดสัง่งยศข้อหนึ่งได้แล้วครับถ้าเราไปอยู่ที่หน้าโกดูวคนเดียวเนี่ยไปนั่งสมาธิในป่าชา้าอยู่ น, นั่งเร่งราาเวลาเจ็บก็อย่าไปขยับให้ความเจ็บมันหายไปเองแล้วดูสิว่าเราทุกกับความเจ็บหรือไม่คุณจันทวันโนครับถามสองข้อนะครับสีแปดข้อสามงดเว้นการร่วมเพศร่วมการตั้งใจทำอสุจิเคลื่อนด้วยยกเว้นฝันผมเข้าใจถูกไหมครับ ในสิ่งแปดนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำให้ อ, อสุจิเคลื่อนนะอันนี้เป็นของพระเป็นเป็นสิ่งของพระแต่สิลของยอมนี้เพียงแต่ไม่ให้มีการร่วมเพศกับผูนะ้อื่นแต่ถ้าจะไปช่วยตัวเองนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าผิดสินข้อนี้เพราะสิ่ข้อนี้ห้ามไม่ให้ไปไปไปยุ่งกับคนอื่น น, นั่นเองตามความเข้าใจของเรานะอบาลมจาริยานะแต่ถ้าจะปฏิบัติตามพระได้ก็ดีนะ คืออย่าไปมีการทําช่วยตัวเองพูดง่ายๆครับครับข้อที่สองในยุคปัจจุบันมีพระชาวต่างชาติที่ล้สังขารและกระดูกเป็นพระาธาตุไหมครับอันนี้ไม่ทราบนะยังไม่ทราบเพราะเราไ ม, ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาชาวต่างชาติพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นพระาธาตุหรือไม่คุณอธิษฐานครับ กราบขออุบายลดความอยากเช่นอยากทานขนมถึงแม้จะรู้ว่าขนมไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็อดใจไม่ได้จะจัดการความอยากนี้ได้อย่างไรครับก็นึกถึงขนมอะไรที่มันอยู่ในปากเนาะที่มันผสมกับน้ํำลายแล้วเคี้ยวแล้วก็ลองคายออกมาดูว่านะมันนะหน้าตามเป็นยังไงตอนที่มันอร่อยอร่อยเหลือเกินพอเห็นหน้าตามันแล้วเราเอาตัดกับเข้าไปกินในปากได้ไหม เนเวลาเราเกิดความอยากกินอะไรอย่าไปมองถึงของที่เราอยากไม่ได้กินอย่าไปคิดถึงของที่อยู่ในจานให้คิดถึงของที่อยู่ในปากนรืออ่ในเท้าแล้วเราอาจเจียนออกมาหเห็นหน้าตามาันเมื่อเวลาที่เราถ่ายมันออกมาให้คิดถึงความไม่สวยงามของอาหารปฏิฆะความเป็นปฏิกูลของอาหารมันมก็จะทําให้ความอยากกินหายไปขนมหายไปคุณมนตรีครับ ซื้อหุ้นลงทุนในบริษัทที่เลี้ยงสัตว์ไปชาแหละขายบากรึครับเราก็มีส่วนในการที่เราได้รับผลประโยชน์จากการค่าอยู่นะถือว่ามีส่วนก็ได้นะแต่บางทีเรื่องราวนี้มันค่อนข้างที่จะอะ่มันเกี่ยวยงกันไปหมดนะพุชลา ก, กิจทุกวันนี้มันเกี่ยวยงกันไปหมดธนาคารเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารก็เาเงินไปเปิดให้บริษัทค่าสัตว์ตะกู้ะไรี ก็มันมันเรื่องใกล้ตัวไปแล้วเรื่องใกล้ๆ้ตัวแล้วกันว่าเราเป็นคนสังน่งหรือให้เขาทาให้กับเราโดยตรงหรไหมถ้าไม่ได้สัง่งก็อย่าไปกังวลกับมันมากอกนไปแต่ถ้าเราต้องการความบริสุทธิ์องเรื่องหาดูเราเองเราง่ า, าด้ดูว่าเงนินที่เราลงทุนกับบริษัทนี้มันไปเกี่ยวพันกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรหรือไม่ก็ได้คนะุณกนกวันครับหลังปัด จากปฏิบัติมากขึ้นรู้สึกว่าจิตมีความวัยและแรงมากขึ้นเราจะทำการควบคุมจิตยอย่างไรบ้างครับก็ต้องใช้ ส, สตินะครับควบคุมไาจิตมันอยู่อยู่ในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธบริกรรมไปจนก่อนจะทำให้มันสงบตัวลงคุณจิราวันครับถ้าพูดเรื่องเวรกรรมบอกให้คนอื่นคิดบวกเยอะๆคิดในแง่ดี คนอื่นลำคาญหรือไม่เห็นด้วยควรทาเช่นไรคะควรหยุดนะสิเขาไม่ได้อยากฟังเราไปบังเขาให้เขาฟังต่างเลยถ้าเขาถามก็ค่อยพูดถ้าเขาไม่ถามก็อย่าไปพูดคุณออบิทครับในสภาวะขณะที่เราสลบพระยาสลบเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเราตายหรือจิตออกจากร่างขณะนั้นจิตเราจะไปพบภูมิไหนครับ ้าไปตามบุญบาปที่เราได้สะสมไว้ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปเกิดในสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาไปเกิดในอบายคุณมุ ก, กี้ครับลมออกมาทางใบหน้าได้ไหมเจ้าค่ะมันต้องมีช่องออกสิหมอมีไหเช่างออกมีไหมมีแต่จมูกกับปากครับอาจ้าทางหูได้บ้างใช่ไหมทางมือเท้า บอกทัมแต่มันต้องมีช่องออกมันถึงจะออกได้ครับคุณแต้มสีครับช่วงหนึ่งเคยไปปฏิบัติธรรมหนักจนรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างนี้เรียกว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะได้เป้าหมายก็เกิดต้องการที่จะมองร่างกายเ่าไม่ใช่ตัวเรา ข้สอสครับเคยปฏิบัติจนนอนน้อยลงจากต้องนอนแปดชั่วโมงกลายเป็นนอนแค่ห้าชั่วโมงแต่ดิฉันกลัวเอ๋อมากค่ะเพราะปกตินอนน้อยกว่าเจ็ชั่วโมงติดต่อกันหลายลวันไม่ได้ครับถ้าปฏิบัติทำแล้วใจมันจะเตื่นมันจะไม่ต้องการแล้วร่างกายก็ไม่ได้ใช้งานมากมันก็ไม่ต้องการที่นอนมากก็ได้ไม่มีผลเสียจากการนอนน้อยหรอกถ้ามีพระที่ที่บวชกันนี่ก็เป็นเอ๋อกันไปบวชแล้ว พุทเจ้าสอนให้พระนอยแค่คืนละสีชั่วโมงเท่านั้นคุณวุทธิชัยครับผู้ที่เข้าอัปปนาสมาธิได้หรือตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปยังคงมีความฝันหรือไม่ครับหรือกำจัดความคิดฟุ้งซ่านจนเบาบางจนแทบไม่มีความฝันไปแล้วครับมันก็ไม่แน่บางคนก็ยังฝันอยู่ฝัน่ากฝันน้อยนะแล้วแต่คุณปิยพง์ครับ การทอดกรถิ่นทำไมจับได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและจะต้องทำภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไม่ต้องการรบกวนชาวบ้านเนี่ยสมัย น, นั้นก็ขอขอแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วก็จะได้ไม่ให้พระเสียเวลาที่จะต้องมาคอยขอพระถิ่นอยู่ทั้งปีต้องการให้พระเปลี่ยนผ้าที่ขาดพอได้พระได้เปลี่ยนผ้าเสร็จแล้วจะได้อาเวล า, าไปปฏิบัติธรรมต่อไม่ต้องมาคอยเสียเวลา คำคอยรับกระถิงนหลายหลายครั้งหลายหลยอบคุณทัศนีครับขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำผู้หญิงที่อยากบวชค่ะ้าไปศึกษากับพวกที่เขาบวชอยู่เนี่ยพวกไม่ชีสำนักไม่ชีต่างๆว่าเขาอยู่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรเราไนศึกษาจากพวกที่เขาเขาเขารู้วิธีไม่ชีก็ต้องไป จะบทชี้ก็ต้องไปศึกษาเราพวกแม่ชีครัจบทพระกนต้องไปศึกษาพระไปเรียนกับพระคุณ ส, สัตยิปรัตน์ครับลูกทําสมาัคราธิมาตักพักแล้วตอนนี้เวลาเข้าสมาธิตัวจะตรงนิ่งรู้สึกลมหายใจแผ่วเบามากบางครั้งเกิดอาการหูดับความรู้สึกหายจิตพาสํารวจร่างกายทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเคยตั้งจิตไว้ว่าจะนิ่งเข้ายานแบบนี้ให้ได้ถึงสองชั่วโมง แต่ทำได้แค่ชั่วโมงกว่าๆอีกนิดเดียวก็ทําไม่เคยได้เลยจะเลยครับลูกกับของคำได้แรงจากพระอาจารย์ว่าคนทําเช่นไรถึงจะทําให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ครับก็าต้องเพิ่มสักการฝึกสติให้มากขึ้นสติกำเป็นเหมือนน้ำมันรถเนี่ยถ้าเราเติมครึ่งถังมันก็วิ่งได้แค่ครึ่งถางครึ่งครึ่งทางถ้าเราเติมเต็มถังมันก็จะวิ่งได้เต็มอันั้นก็อยู่ที่กําลังของสติถ้า ต, ตอนนี้มีแค่กาลังที่จะนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งก็ ถ้าอยากจะนั่งมากกว่า น, นั้นก็ต้องฝึกสติเพิ่มมากขึ้นคุณวิทิตครับผมใช้วิธีดูลมหายใจแต่จิตไม่สงบแต่ถ้าใช้กำหนดดูผมขนเล็บฟันหนังให้จิตวิ่งอยู่ในกายอย่างนี้จะสงบกว่าแบบนี้ถือเป็นการข้ามขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ครับไม่หรอกก็เป็ น, นวิธีการหนึ่งเป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งกรรมฐานม่อยู่สี่สิบชนิดด้วยกันอาการ32ก็เป็นกรรมฐาน เพที่จะทําให้ใจสงบได้เหมือนกันคุณสิริวิทย์ครับผมลองนั่งสมาธิเต็มที่ได้สองชั่วโมงแต่รู้สึกสบายตัวเบามากจึงเข้าใจว่าทําไมพระจึงบราาารลุอรหันต์ได้มากกว่าปุถุชนเพราะมีเวลาทําทั้งวันทั้งคืนถ้าปฏิบัติแบบยี่สี่ชั่วโมงจะมีโอกาส ร, รู้ทำเบื้องต้นได้ไหมครับได้ต้องรู้ทางด้วยนะต้องรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยถ้าไม่รู้ก็ต้องมีคนคอยสอนคอยบอก ถ้ามาอยู่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะแล้วก็จะดีกว่าดีเพราะท่านท่านบอกวิธีที่ถูกต้องคุณกิฟครับการที่คนชอบโพสต์รูปตัวเองสวยๆแล้วหล่อคือเขายังรักกิเลสเรื่องความสวยงามไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เขาไม่เคยพ่นกระดูของเขาโครงกระดูของเขามาโชว์แล้วนี่คือครองกระดูของเราเด็กเพื่อนหนีหมดนะครับอาจารย์ <laughs> คุณไพโรธครับการที่เราโอนปัจจัยทําบุญอยู่เนือ ง, งถือว่าฟุ่งเฟือยหรือเปล่าครับเมื่อาการทําบุญนี้ไม่ถือว่าเป็นการฟุ่งเฟือยเป็นการสะสมบารมีทานบารมีทาให้หมดได้จะได้เป็นพระเวช ส, สันดนดรเป็นเหมือนพระเวช ส, สันดนดรตายไปก็ไปสวรรค์อย่างแ น, แ น, แน่นอนแลว้วกลับมาเกิดต่อไปอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วย <c oughs> คุณสิงโตครับ บุคคลที่ได้ความเป็นโสดาบันแล้วยังมีการปรุงแต่งทางความคิดยังมีนิวรณ์ห้าอยู่ไหมครับในการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังมีการอารมณ์อยู่นะ ย, ยังมีการมาชันทะยังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้คุณโต้งครับพระอรหันต์สุบริผิดไหมครับไม่ผิดเดี่ยวมันไม่ไม่ไม่ด้เป็นศีิข้อห้าของพระสมัยก่อนนี้เขาเป็นนิยมเวลา นิมนต์าไปส่วนมวนมนต์ที่บ้านเนี่เขาจะเตรียมหมากครูปุหี่ไว้ถวายถวายนี้ที่เขาแอนตี้เขาคอนสูมมากเกินไปสูบจนร่างกายเป็นภาร ะ, ะของหมอต้องไปรบกวนหมอให้รักษาโน้ทายให้เจ็บเ้าก็เลยต่อต้านกันแต่ถ้าสูบพอหอบปากหอมคอมันไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาสูบแบบไม่ได้ทําให้เจ็บไข้ไม่ป่วยถ้าสูบวันละสองสามมวนสี่ห้ามวนอย่างนี้ อย่างหงปู่บ้านท่านก็สูบนะแต่ท่านไม่ท่านไม่มีความอยากคือถ้าไม่มีสูบท่านก็ไม่เวสาให้เขาไปซื้อมาให้ท่านสูบแต่ถ้ามีคนเข้ามาถวายนะท่านก็ท่านก็หยิบมาสูบตามวาระของท่านวาระสามสี่ครั้งข้าที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังครับคุณสิริวิทย์ครับอ่านธรรมะครูบาอาจารย์ทุกรูปมานั่งวิเคราะห์ว่าทุกอย่างเรียกรวมเหมือนกันว่าเกิดจากความอยาก อย่างที่พระอาจารย์ว่าไว้จริงๆครับแสดงว่าถ้าหยุดความคิดความอยากก็เป็นฐานการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับถูกต้องเรามต้องมาเจริญสติกันนะเจริสติเพราหยุดความคิดเพราหยุดความคิ ด, คคดก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวทาให้เรามีมีกําลังที่จะไปคิดทางปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นตายรับมันจะได้จังทุกข์ขังไว้หน้าตา มันกีจะทำให้เลอกอยางอย่างเท่านคุณแต้มสีครับเคยอ่านหนังสือการที่เป็นผู้หญิงแล้วจะไปเกิดเป็นผู้ชายเพราะหมดความพอใจในการเป็นเพศหญิงแล้วใช่ไหมคะส่วนผู้ชายจะไปเกิดเป็นเพศหญิงก็ เ, เพราะหมดความพอใจในเพศชายเคยมีคนทักว่าชาติหน้าดิฉันจะเกิดเป็นผู้ชายดิฉันก็สังเกตว่าตัวเองไม่พอใจกับการเป็นผู้หญิงแล้วจริงๆคะ่ะ ก็อยู่ที Magic. ่นิสัยใจคอเราด้วยเราเราคิดเราทำแบบผู้ชายตอนตั้งแต่จะไม่ได้เป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายก่อนอาจจะเป็นขึ้นก่อนก็ได้เป็นกระเธอก่อนก็ได้ว่ามันอจะต้องใช้เวลาหลายชาติก่อนจะพลิกนิสัยจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายหรือจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงได้ในระหว่างทางมันอาจจะยังได้ร่างกายของผู้หญิงอยู่ใจมันเริ่มเป็นผู้ชายแล้วเริ่มเป็นท็อขึ้นมาแล้วก็ได้ คุณสานิตครับผู้ป่วยด้วยเหตุต่างๆก่อนตายควรวางจิตอย่างไรถ้าวางจิตถูกต้องมีโอกาสได้มรรคผลอย่างไรบ้างครับก็าวางจิตให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายตายโดยที่ไม่ไปมีความยึดติดมันจะตายก็ยอมตายยมันก็จะเป็นพระสูตรดานขึ้นมาได้คุณวรรธนาครับการเกิดชาติถัดๆไปเราจะเตรียมเข้าสู่ทางธรรมอย่างไรในชาติใหม่ครับ มันไม่ต้องเตรียมหรอกมันอยู่ที่ชาตินี้เราทำมันเราทำได้เท่าไหร่มันก็จะไปทําต่อในชาติหน้าถ้าเรารักษาศีลแปดได้ชาติหน้าเราก็ไปรักษาศีลแปดต่อถ้าเราทําบุญทําทานได้เราก็จะไปทําบุญทําทานต่อมันเป็นนิสัยมเป็นการฝึนิสัยไปไม่ต้องเตรียบตัวหรอกมันทําให้คนนิสัยต่างๆกันไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใชรครับอ่าเราเรียกว่าบาลมะถ้าเราไปทาำๆแล้วก็เล่นว่าง ทำบุญทำทานรักษาศีลเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมี้็เกิดจากนิสัยที่เราทำอย่างต่อเนื่องทตามๆเนื่องเพราะชาติหน้าเราไปเกิดเราเราพียงจะเปลี่ยนร่างกายแต่ใจไม่ได้เปลี่ยนใจยังเป็นคนเดิมอยู่ครับมันก็ไปทำต่อชอบอะไรชอบทำอะไรมันก็ไปทำต่อ คุณโบสครับผมเพิ่งเริ่มต้นฝึกปฏิบตัติควรเพ่งที่ลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าควรพิจารณาตามความคิดที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาดีครับเ อ, อควรเพ่งดูลมดีกวยาอย่าเพิ่งไปคิดพิจารณาเพราะวันจะไม่ทําให้จิตสงบยิ่งคิดเดี๋ยวยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ควรจะเพ่งดูลมแล้วเพ่งอยู่กับพุทธโธคําบกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างเดียวไม่ต้องทั้งสองอย่างก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้ คุณสิริเพนครับการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติบูบชาเดินตามรอยบาท ต, ตามาศาสดาเมื่อ น, นั้นคนคนนั้นเขามีบุญเก่าติดมาดีใช่ไหมเจ้าคะพวกงาตนี้จึงได้มาต่อเติมเสริมบุญครับใช่การได้ทำบุญในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งในมงคลฐานทาีแปถ้าเราเคยปฏิบัติทำมาแล้วพอเรามาเจอศาสนาเราก็จะไปปฏิบัติ ต, ต่อได้เลย คนที่ไม่เคยปฏิบัติก็จะเข้าวัดแต่ละคะัง้องสุญยาจะไปปฏิบัติแต่ละครั้งกัน้องสุญยาคุณอุไรครับถ้าญาติญาติของเรามีความทุก์ในการดำเนินชีวิตมากเฝ้าแต่อดควรแต่ความทุกข์ที่เจอตัวของดิฉันได้แต่รับฟังและบอกให้ฟังทำจากพระอาจารย์แต่ตัวเขาเองไม่ยอมจะฟังหรืออย า, ากจะพ้นทุกเราควรจะวางเฉยกับเขาใช่ไหมครับเพราะเราชี้ทางให้แล้วแต่เขาไม่อยากช่วยตัวเองครับใช่ครับผมครับ วเวลาเเจ็บไข้ได้ป่วยแล้าบอกเลาเจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกเขาไม่อยากไปมันก็ไม่อยากไปเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้บังครับเขาไม่ได้คุณสิริวิทย์ครับการเห็นความตายในหมู่พี่น้องและคนรอบข้างและรู้สึกสลดใจและเห็นกฎอันนี้จังและอยากไปบวชหาความสงบแบบนี้คิดถูกไหมครับเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเรายอมแพ้ไม่ช่วยชีวิตครับ คิดถูกแล้วแหละเพราะเราเห็นว่าชีวิตนี้มันก็ทุกอย่างก็ต้องชินสนองได้ผ่านตายสู้ไปบวชดี่กว่าเพราะการโดยนี้เราจะสามารถสร้างในสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้คือมรรคผลผนิพพานคุณปริยพรครับถ้ามีคนฝากเงินเราไปทําบุญโรงทานแต่เราไปทําบุญโรงพยาบาลแทนไม่ตรงตามเจตนาผู้ฝากเราบาปไหมครับก็เป็นการไม่ทําตามคําสั่งเขาอ ก็ม like, ันจะว่าเป็นการหลอกลวงโกหกหลอกลวงก็ได้ไม่มีพระไม่มีสัจจะเรารับปากเราแไม่ใช่ไหมเขาว่าให้ไปทําบุญได้หน่อยเราลักหกครับเออเอาเงินเข้ามาแต่เราไม่ทําตามที่เราพูดการแสดงว่าเราไม่มีสัจจะเราโกหกเราก็บอกข้อก่อนเลว่าไม่สะดวกที่จะไปทําทําที่โรงทาบาําลังอยู่ที่โรงพยาบาลเขาทาที่โรงพยาบาลแทนได้ไหมถ้าเราหอกได้ก็ไม่มา อย่าไปทําโดยถือวิสาสะเพราะเมื่อเรารับปากเข้ามาแล้วว่าจะเอาไปทํำลงทานแล้วก็ต้องไปทํทาตามที่เรารับปากไว้คุณทินพัฒนครับพระอรหันตุกองค์ต้องผ่านโสดาสกิตาอนาคามีเหมือนกันทุกองค์ไหมครับเหมือนกันทุกองค์ต้องผ่าน คุณวินครับพอดีเป็นโรคกระเพาะไม่สามารถงดอาหารมื้อเย็นได้เพราะจะทำให้ปวดท้องสามารถปฏิบัติธรรมได้หรือไม่คะเพราะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องรักษาสิ่งแปดควรทําอย่างไรได้คะขอพระอาจารย์แนะนําครับก็มันก็จะมีเขตจํากัดทําให้เราไม่สามารถไปไปปฏิบัติเหมือนคนอื่นเขาได้แลือเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเพราะว่าการกินอาหารมากก็จะทำให้เกิดอ่า อาการ่วงเหงาเหานอนเกิดความเกลียดข้านขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่มีปัญหาเรื่องทางท้องไม่สามารถที่จะรักษาสิบแปดได้คุณประชาคนที่มีคําถามทํามากเรียกว่ามีวิจิกิจฉามากใช่ไหมครับควรจะพยายามหาคําตอบหรือละมันไปจะเกิดผลดีกว่ากันครับรก็แล้วแต่ว่าถามแบบไหน ถามคำถามแบบที่มันไม่เกิดคุณประโยชน์ในการเพื่อในการให้กับการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ฟุ้งซ่านมากกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะรู้อย่างนี้ก็ก็ไม่ดีควรจะถามในเรื่องที่ที่จะเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้บ้านั่งสมาธินั่งยงังเจริญจิตเจริญยังไงรักษาสีรักษาอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่า เดีไปถามซอกแซกถามว่าคนนั้นปเป็นเราจะไปรู้ว่าเขาเป็นโสดาบันไดยังไงยังไงอย่างเงีง้ยเนเรื่องที่ไม่เสียเวลาไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราคุณธรรมประการครับเมื่อมีสติรวบรวมสมาธิแล้วหลังจากนั้นเราพิจารณากายอย่างเดียวโดยไม่สนใจความคิดเลยไม่ว่าจะคิดอะไรก็ปล่อยหรือตัดความคิดไปเลยได้ไหมครับ อ่าถ้าเราพิจารณากายมันก็ทำไม่คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยถ้ามันคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่ได้พิจารณากายเราทิดทั้งวัดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นมน้าลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราต้องคิดอย่างนี้ทั้งวันคุณแม่หญิงลานนาครับ บางครั้งยังรู้สึกเป็นทุกข์ใจและรู้สึกตัวว่าใจมันรําคาญและไม่ชอบเมื่อมีคนมาหาที่บ้านบ่อยๆทั้งที่รู้ตัวแต่ก็เป็นทุกครั้งขอไม่ตาพระอาจารย์แนะนําโยมได้ครับแล้วว่ า, าคนหาดูความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรเยกิดจากการที่เราไม่อยากจะพบคนหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อเราต้องไปความจำเป็นยังต้องพบคนอยู่แล้วก็ต้องเราก็ต้องหยุดความอยากที่จะไม่พบคนนั่นเองนอกจากว่าเราหนีไปอยู่ที่ไม่มีใครติดตามเราได้ ถ้าไม่อยากจะให้ใครมาพบเราคุณสิริวิทย์ถามว่าช่วงก่อนที่กลุ่มจุลธรรมจะเข้ามาบันทึกธรรมะพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่เงียบๆสันโดดไม่ได้เทศธรรมะแบบนี้ใช่ไหมครับก็เทศเฉพาะสาวที่ศาลา่เทศธรรมะชุดกำลังใจอืมในเป็นชุดแรกคือกำลังใจเทศประมาณสักครึ่งชั่วโมง ก, ก่อนก่อนจะฉัน วันเสารวันอาทิตยกับวันพระคุณใบหยกครับเวลานั่งสมาธิผ่านทุกสภาพของการแสดงกิเลส ท, ทางร่างกายสงบโล่งก็ให้รู้อยู่ตรง น, นั้นนานจนกว่าจะเด้งออกมาเองใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบให้มันอยู่ไปนานๆด้วยการคอยควบคุมอย่าปล่อยให้ใจคิดปุงแต่งที่มันสงบเพราะใจมันหยุดคิดปุงแต่ง อย่าถ้าเราเริมคิดแล้วก็ต้องหยุดมันต่อไปเพื่อให้มันได้นั่งสงบต่อไปแตกถ่าไม่สามารถยับยั้งความคิดได้มันก็จะต้องคิดเรื่องแรงต่อไปนั่นเองคุณสุวรรณีครับการเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิต้องเริ่มจากอะไรค ะ, ะต้องเริ่มจากความเชื่ อ, อว่าคําสอนพระเจ้านี่เป็นความจริงพระเจ้าสอนว่า บุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญของบาปกิดในโลกสวรรค์มีจริงการมีและตายเกิดมีจริงความทุกข์เกิดจากความอยากการจะหยุดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องมครับความอยากด้วยการปฏิบัติศินสมาธิปัญญานี่คือสมาทิเต็มเบื้องต้นคำถามสุดท้ายครับอาจารย์วันนี้มีคำถามเหลือเต็มเลยครับคุณอู๊ดครับ กำหนดสมาธิอยู่ที่หน้าผากพร้อมบริกรรมพุทโธพอนั่งไปจะเป็นหน่วงหน่วงที่หน้าผากแบบนี้ถือว่าปฏิบัติถูกต้องไหมครับจริงๆถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธนี้ไม่ต้องไปสนใจที่หน้าผากให้อยู่กับคํา บ, บริกรรมพุทโธอย่างเดียวให้อยู่คำบริกรรมให้รู้อยู่คําบริกรรมไม่ต้องไปผูกไว้จอยู่ที่หน้าผากมันไปสร้างภาระให้กับจิตใจให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวก็พอ หมดเวลานลครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังธรรมใน Facebook 795คนครับใน y o u t u ู e 640คนในกลับเท้า12คนครับมีเพื่อนเพื่อรวมฟังธรรมด้วยกัน 1,447 คนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังเทศธรรมมกันอพราว่าคงได้รับประโยชน์ไม่มากอน้อยเพืออ่อที่จะนำออกไปใช้ในการปฏิบัติที่จะได้เกิดผลต่อไป การแสดงทำการแสรงทำสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสองคนแก่เวลาก็ขอให้ท่านอยอมรับสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าเนี่ยทำยิ่งขึ้นไปเถอนสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยเวลาเดิมในอาทิตย์หน้า ข้อจเจรินพรกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ